ความคิดแล่นไปถึงผู้อื่นได้อย่างไรควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ่มแจ้งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งกล่าวคือการที่เราพูดให้ใครก็ตามเกิดความเข้าใจได้เชื่อถือเราได้นั้นจงสังเกตให้ดีว่าแม้ว่าคนฟังจะจำคำพูดของเราได้ทุกคำและเข้าใจตามเราได้ทุกอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ความรู้สึกนึกคิดของเราเข้าไปอยู่ในจิตใจของเขาความจริงคำพูดของเราเป็นเพียงปัจจัยไปกระตุ้นให้ความรู้สึกนึกคิดในใจของคนอื่นเกิดขึ้นและการที่คนฟังจำได้แม่นเข้าใจตามเราได้ทุกอย่าง mm hmm. ก็เพราะเขามีพื้นฐนานจิตใจเหมือนกับเราหรือใกล้เคียงกับเรา mm hmm. เขาจึงรับได้สำนวนในคมภีพุทธศาสนาใช้คาว่า จิตไม่มีสังกรมนาสังกรมนาแปล ว, ว่าก้าวไปหรือกระโดดไปจิตไม่มีสังกรรมนาก็เพราะจิตเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นและจิตเกิดขึ้นมาเพียงชั่วขณะแล้วก็ดับจิตที่ดับก็เป็นอันดับไปจิตที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าเหมือนกับเปลวไฟเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น เปลวไฟถึงแม้เราจะเห็นด้วยตาว่ามันสว่างกระโดดข้ามไปไม้ที่อื่นได้โดยอาศัยลมพัดนั้นถ้าคิดกันให้ละเอียดว่าเปลวไฟคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งถ้ารู้เรื่องนี้ละเอียดก็จะยอมรับว่าเปลวไฟก็ไม่มีสังกรรมนาคเหมือนกันจิตก็เช่นเดียวกันทั้งที่พิสูจน์ได้ว่ากระแสจิตสามารถส่งไปถึงที่ไกลไได้ก็จริง แต่ความจริงจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นสังกรมณะของจิตไม่มีเรื่องนี้ขอให้ทําความเข้าใจให้ดีเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะผู้ที่จะรู้แน่นอนว่ากระสาจิตของตนจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นมากน้อยเพียงไรนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ดีมากคนส่วนมากอยากจะส่งกระสาจิตของตนไปยังผู้อื่น และอยากให้ผู้อื่นรับทราบกระแสจิตของตนแต่แล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยทั้งทั้งที่ความจริงทุกครั้งเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นในใจนั้นมันจะมีกระแสะพุ่งออกไปยังภายนอกด้วยและมันจะพุ่งไปยังบุคคลหรือสิ่งของที่เรานึกถึงซึ่งเรื่องนี้เคยกล่าวมาแล้วและเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามนี้ <Good. S 2> นการส่งกระแสะจิต ไม่เหมือนกับการส่งสิ่งของที่เป็นวัตถุไปยังคนอื่นแต่เหมือนกับครูให้ความรู้แก่ศิษย์ความคิดของครูปรากฏรูปออกมาเป็นเสียงเสียงไปเข้าหูคนฟังเสียงที่เข้าไปถึงหูคนฟังและคนฟังฟังได้ยินแล้วรู้เรื่องด้วยซึ่งคนฟังนั้นจะเกิดความเข้าใจเกิดความรู้สึกนึกคิดเหมือนผู้พูดหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นจิตใจของคนฟังเป็นปัจจัยสาคัญ กว่าปัจจัยอย่างอื่นทั้งหมดการส่งกระแสจิตไปยังคนอื่นโดยผู้ส่งไม่ได้พูดไม่ได้แสดงกิริยาอาการ ใ, ใดๆเลยและไม่เห็นตัวกันด้วยแต่ในบางกรณีคนรับก็รับได้นั้นเป็นเพราะเหตุอะไรบ้างและส่วนมากผู้รับจะไม่รู้สึกอะไรเลยนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรบ้างทั้งสองประเด็นนี้ต้องเข้าใจให้ดี แล้วต่อไปจึงจะรู้ว่าพลังทิพย์ซึ่งจะอธิบายต่อไปข้างหน้านั้นจะมีผลต่อผู้รับจริงหรือไม่ขออธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าโดยธรรมดาคนเราทุกคนยอมจะได้รับกระแสความคิดจากผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางตรงคือผ่านทางสื่อคําพูดยิริยาท่าทางน้ําเสียงสีหน้า เหล่านี้เป็นต้นทางอ้อมคือไม่ผ่านทางสื่อเหล่านี้แต่ได้รับในลักษณะของการโดนใจและผู้ที่ส่งกระแสความคิดมานั้นไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์แม้อุปปาติกาทั้งหลายก็ส่งกระแสความคิดมาสู่มนุษย์อยู่เสมอและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสความคิดของพวกอุปปาติกาทั้งหลายอยู่เสมอเช่นเดียวกัน ซึ่งคนที่จะรู้เรื่องนี้ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่ได้สมาธิขั้นสูงถึงขั้นที่มองเห็นกระแสความคิดที่ปรากฏออกมาเป็นแสงสีต่างๆและสามารถมองเห็นพกโอปปาติกาทั้งหลายได้ด้วย